จะทำอย่างไรเมื่ออยู่กับผู้หญิงสองต่อสองถามผมมีพันยาแล้วโดยเส้นทางอาชีพต้องทำงานกับผู้หญิงสองต่อสองบ่อยครั้งจะห้ามตัวเองอย่างไรยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ่จริงๆเลยครับฝ่ายหญิงยอมร่วมมือด้วยแน่ขอเพียงผมเอื้อมไปคว้าเธอก็ท่าทางจะไม่ถอย เคยแกล้งๆทำเหมือนหยอกเล่นแล้วไม่ว่าใจหนึ่งมันบอกตัวเองว่าต้องเอาให้ได้แต่อีกใจหนึ่งก็สงสารพัญญาอย่างแรงขออุบายหรือวิธีคิดเพื่อห้ามใจให้ขาดด้วยครับตอบข้อแรกอย่าบอกตัวเองว่าที่ไม่ทําก็เพราะสงสารพัญญาคนเราเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นครับ โดยเฉพาะเมื่อมโนธรรมลดระดับต่ําลงใกล้ติดพื้นเราจะไม่เห็นใจใครนอกจากตนเองทางที่ดีให้เฝ้าบอกตัวเองว่าที่ไม่เอาการประพฤติผิดทางการนี้ก็เพื่อไม่ต้องทุกข์เองในภายหลังพอตอบตัวเองถูกว่าทําไมไม่เอาก็จะได้ทําทุกวิถีทางเพื่อห้ามใจแบบไม่ต้องฝืนมากข้อที่สองให้ตั้งใจคิดว่า ไม่เอาแน่แน่ไม่ทำแน่แน่ไม่แม้แต่จะหยอกเล่นคิดสองสามครั้งแรกจะสั่งสมเป็นความเคยชินความเคยชินจะทำให้คุณรู้สึกห่างจากกระแสาราคะผิดๆออกมาเรื่อยๆกับทั้งปฏิเสธแรงขับดันของตนเองง่ายขึ้นเรื่อยๆขอให้ระลึกไว้ว่าถ้าทำตรงข้ามปลูกฝังความเคยชินไว้ในทางมิชอบ คุณจะถลำลึกลงทุกทีและถอนตัวออกยากยิ่งข้อที่สามเมื่อได้เกิดอารมณ์ทางเพศกับเพื่อนร่วมงานของคุณอย่า ก, กัดฟันห้ามตัวเองให้ยอมรับตามจริงว่ามีอารมณ์เพศขึ้นมาการยอมรับตามจริงไม่หลอกตัวเองว่าเป็นพระอิจราปูนไร้อารมณ์จะทำให้ไม่เกิดแรงกดดัน ไม่เพิ่มแรงดันให้กับอารมณ์เพศโดยรู้เท่าไม่ถึงการสำคัญคือให้ยอมรับว่าเกิดอารมณ์แต่อย่าให้กายโอนอ่อนตามอารมณ์ก็แล้วกันเมื่อปฏิบัติทุกข้อบริบู์ยิ่งหวนอารมณ์แบบบุตุชนจะยิ่งถอยห่างออกมาจนในที่สุดคุณเห็นเพื่อนร่วมงานแล้วจะรู้สึกเฉยเฉยกลายเป็นความชินที่จะอยู่สองต่อสองโดยไม่ต้องเก็บกดอารมณ์เพศเอาไว เพราะมีประการแห่งขันติและอุเบกขาสูงใหญ่ช่วยกั้นขวางไม่ให้เอื้อมมาแตะต้องกันโดยง่ายอยู่แล้วหากคุณผ่านดาา่านยกาๆนี้ได้ก็จะสบายใจว่าไม่ได้ทำเรื่องผิดยิ่งนานเท่าไหร่ขันติบารมียิ่งสูงขึ้นเท่านั้นคุณจะมีมโนธรรมแยกยะผิดชอบชั่วดีได้ชัดขึ้นห่างไกลจากนรกทางใจมากขึ้นแต่หากผ่านไม่ได้ คุณจะกระวนกระวายที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทำความผิดติดตัวในเบื้องแรกพอชินแล้วก็จะสงบลงด้วยใจที่กระด้างแบบคนหน้าหนาต่อไปขันติบา ร, รมีของคุณจะต่ำลงต่าลงกระทั่งอาจทำเรื่องผิดผิดแล้วมาอุทานภายหลังว่านี่คุณทำอะไรลงไปกรรมอันเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างชายหญิง ถ้าทำทั้งรู้อยู่ว่าอาจบาดใจสามีหรือพัญญาของอีกฝ่ายกรรมนั้นจะย้อนกลับมาบาดใจกันและกันในภายหลังได้คุณจะเจอคู่กรรมด้วยเรื่องทางเพศหวังประโยชน์ทางเพศและบาดใจกันทางเพศอีกแล้วแล้วเล่าๆลบอกใจตัวเองให้เลือกทางปลอดโปรง่งและเยือกเย็นเถอะครับอย่าเลือกทางรคชัดและอบอ้าวเลย